สิสังฆเภศสิกขาบท 17. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุผู้ทาสง์ให้แตกกันไม่สละกรรมจนกระทั่งสง์สวดสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัตินักกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัตถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเทวทัตเพียรพยายามเพื่อทําลายสงผู้พร้อมเพรียงกันในสังฆเภศสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน